วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสอง5ห้าหสบห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจธรรมได้ตั้งใจกันมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความที่มีความประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติตามไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีประสิทธิภาพในการที่จะ กำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้เหมือนกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาก<ม>ารที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจะได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมากมายที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อน<ม>ถ้าเรารู้แล้ว ถ้าเราได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสามารถนำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายการฟังธรรมการศึกษาธรรมนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นทรงให้ความสำคัญ จนถึงกับขั้นมีการกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาสมัยก่อนนั้นการฟังธรรมเป็นกเป็นสิ่งที่ยากลาบากเพราะว่าไม่มีสื่อเหมือนกับสมัยนี้เวลาจะฟังธรรมนี้ต้องมีเวลาว่างเช่นวันหยุดวันไม่ทำงานทำการแล้วก็ต้องเดินทางไปที่วันเพื่อไปฟังธรรมจากพระ ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมไม่เหมือนกับสมัยนี้เรามีสื่อต่างๆที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายและได้ตลอดเวลาที่เราต้องการดังนั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าทรงกาหนดวันฟังธรรมไว้อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง คือวันธรรมรัสวนณะที่เราเรียกกันว่าวันพระการฟังธรรมมากกว่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้ไม่เป็นโทษแต่อย่างใดเป็นแต่คุณท ร, รมาี้ยิ่งได้ยิน ไ, ได้ฟังมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีโทษต่อผู้ฟังเลยแม้แต่นิดเดียวฟังแล้วก็จะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย เมื่อได้เรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นก็จะได้รู้จะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำผลอันประเสริฐคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆไปให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการนําเรียนเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติ กันอย่างไรถึงจะทําให้ความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้แล้วเราก็จะไม่รู้เสียได้ซ้ําไปว่าความทุกข์ใจนี้เราสามารถกําจัดได้ทําให้มันหมดไปได้และนอกจากเรื่องของการกําจัดความทุกข์ใจแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่า การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นคุณมากต่อการที่จะทให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆและนอกจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี้สิ่งที่จาเป็นยิ่งกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา การพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็พบได้หลายรูปแบบด้วยกันพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงคือถ้าเราไปเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรู้ทรงแสดงธรรมคือเมื่อสอง0ันกว่าปีมาแล้วอันนี้ก็จะได้เรียนรู้โดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยการเข้าถึงพระพุทธศาสนาน ถ้าเราไม่ได้ไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเราก็ยังสามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพราะธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นได้มีการจดจาและต่อมาได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือบรรจุไว้ในคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎก เป็นคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในระยะเวลาส5สิบห้าปีของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสัต้ตอนพระชนอายุสาสิบหปีทรงออกบวชอายุย9ปีออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่หปีด้วยกัน จนตัดสริรูเข้าถึงธรรมอันประเสริฐคือพระอริยาาสัจสและไตลรลักษณ์ที่เป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้จะรู้ได้เพียงคนเดียวด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นน อ, อกจากนั้นแล้วจะรู้จะเข้าถึงพระอริยาาสัจสเข้าถึงไตลรลักษณ์ คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาได้จังเป็นจะต้องมีคนสอนอย่างพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัุเรื่องอริยรรสัจสีเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็เอามาสอนผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ความจริงที่เราไม่รู้กันแล้วเราก็จะได้ เปลี่ยนทัศนคติของใจเราต่อสิ่งต่างๆแทนที่จะไปยึดไปติดแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆเราก็จะปล่อยวางพอเราปล่อยวางแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดก็จะหมดไปหายไปแล้วพอผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการปล่อยวางสิ่งต่างๆได้หมดแล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐต่อไปการเข้าถึงพระธรรมคําสั่งคําสอนนี้ก็สามารถเข้าถึงได้สามทางด้วยกันถ้าเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ ก็ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกให้ศึกษาและก็มีพระอริยสงสารกพระผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์จากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องของพระอริยสัจสีเรื่องของพระไตรัก์ให้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อันนี้คือการเข้าถึงพระพุทธศาสนา การที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชคคราบอันมหามโหราณอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนกับการถูกลอตเตอร์่รางวัลที่หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับการไปซื้อลอตเตอร์แล้วก็การได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาน ก็เหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่บางทีคนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัเองได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่ไปตรวจรางวัลนั่นเองคนบางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วแล้วก็ลืมไปไม่ไปตรวจดูว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมานี้ถูกรางวัลอะไรหรือไม่ก็เหมือนกับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็ จ, จะทิ้งยนต์ลอตเตอรี่นั้นทิ้งไปหรือเผาไฟทิ้งไปก็ได้ประโยชน์อันทุงจะได้รับจากการถูกลอตเตอรี่นั้นก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกับการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเราได้พบกับพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เหมือนกับ<ม>การเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เหมือนกับการได้ซื้อลอตเตอรี่ แล้การได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการถูกวั ต, ตรีแต่ถ้าเราไม่ตรวจรางวัลเราก็จะไม่รู้ว่าเราถูกหรือไม่การตรวจรางวัลทำอย่างไรก็คือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อฟังคำสั่งคำสอนของท่านนั่นเองถ้าเราไม่เข้าหาเราไม่ฟังคำสั่งคำสอนเราก็จะไม่รู้ว่าเรานี้โชคดีมหาศาล ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆานจะปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราสักครั้งหนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ล ะ, ะองค์นี้เป็นสิ่งที่ยากมากและระยะเวลาของการปรากฏของแต่ละองค์นี้ก็ห่างไกลกันมากเป็นหลายล้านล้านปี ป่าจะมีพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาตัสทะลุธรรมแล้วก็ประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอมีการประกาศคำสอนปับ๊บผู้ที่สนใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองก็สามารถนํำมาไปปฏิบัติทําให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท, ทันทีอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเหมือนรางวัลที่หนึ่งคือการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีการประกาศพระธรรมคำสอนอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมไม่เผยแผ่ธรรม แกตว์โลกสัตว์โลกก็จะไม่ได้รับประโยชน์ตว์โลกจะไม่ได้รู้ว่าตอนเองได้มาถูกบว่างวันที่หนึ่งแล้วการที่พระพุทธเจ้าบางังลูกไม่แสดงธรรมนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าไม่มีใครสนใจที่อยากจะตรวจบางวันนั่นเองก็เลยไม่ไม่เอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนเพราะสั่งสอนก็ไม่มีใครสนใจที่จะฟัง ก็เลยไม่สั่งสอนเราเลยมีพระพุทธเจ้าสองแบบด้วยกันแบบที่สั่งสอนเราเรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันนี้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรูธรรมด้วยตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการค้นคว้าด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาสั่งสอนแล้วหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็เอานำเอาวิธีที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งเราจึงมีเราจึงได้ยินได้ฟังได้รู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นแต่ถ้าไม่มีการ สั่งสอนก็จะเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าถ้าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เพราะว่าพระประเจกะพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมไม่สอนใครรู้เฉพาะตนปเจกะเฉพาะบุคคลไม่สั่งสอนให้แก่ผู้อื สาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีใครสนใจที่จะฟังก็ได้หรืออาจจะไม่มีความปรารถนาที่จะสอนก็ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันนี้ตอนที่ทรงตัดสรุ้ใหม่ๆก็ทรงมีความท้อพระทยัยไม่คิดอยากที่จะนารรมาทอันประเสริญนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ยากที่เขาที่จะเข้าถึงได้ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมอันนี้จาเป็นจะต้องเสียสละความสุขทางโลกไปให้หมดนั่นเองเสียสละความสุขของลาบยศสรรเส ร, ริญความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆซึ่งเป็นเสียงที่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง นั้นายหาอยากจะได้กันทั้งนั้นไม่มีใครอยากได้ลาบไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครไม่อยากได้ลาบไม่มีใครไม่อยากได้ยศไม่มีใครไม่อยากได้สรรเสริญไม่มีใครไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายทุกวันที่พวกเราเล่นโนกันนี้เราก็เล่นโนนหาความสุขทางโลกกันทั้งนั้น ดังนั้นเมื่อจะมาบอกว่าการดิ้นรนหาความสุขทางโลกนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราทุกข์กันพวกเราต้องหยุดแล้วเราต้องไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขไปหาความสุขแบบการหาความสุขแบบนักบวชต้องอยู่แบบนักบวชแล้วก็ปฏิบัติฝึกจิตทำใจให้สงบให้ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับคนทั่วไปที่จะสามารถที่จะกระทําได้ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความทอ้อพระไทยแต่พอพระพรหมได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สแสดงธรรมพระพรหมเลยต้องมาอาราธนาขอให้มีความเมตตาต่อสัตว์โลกขอให้พระองค์ทรงทบทวนการตัดสินพระไทยอีกสักครั้งหนึ่ง เพือ่ออาจจะมีช่องทางที่จะทำให้พระองค์นั้นทรงเปลี่ยนพระทัยและหันมาสงเคราะห์สัตว์โลกเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เลยใช้เวลาทบทวนอยู่ก็เลยเห็นว่าจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่เหมือนกันทุกทุกคนทุกทุกสัตว์โลกมีระดับของความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ทรงแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันที่เรียกว่าบัวสี่เหล่าพวกที่มีความรู้ความสามารถมากก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งพวกนี้ถ้าได้ได้ยินได้ฟังทำก็จะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติและทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ท, ทันทีพวกที่สองก็เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถ น้อยกว่าพวกที่หนึ่งแต่ก็ถ้าใช้เวลาสั่งสอนให้โอกาสได้ศึกษาได้ทบทวนได้ไข้ควรก็จะสามารถเข้าถึงธรรมันประเสริฐได้เช่นเดียวกับกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งแล้วกลุ่มที่สามนี่ก็เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถน้อยกว่ากลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สอง แต่ถ้ามีความศรัทธามีความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็มีกลุ่มที่สี่ที่ไม่มีความสามารถความรู้ความสามารถที่จะศึกษาและปฏิบตัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องปล่อยคือสอนไม่ได้ช่วยไม่ได้ mm hmm. เมื่อได้พิจารณาแล้วก็เลยทรงเปลี่ยนพระไทยว่ายังมีคนที่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคําำคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพวกกลุ่มที่หนึ่ง น, นี้ก็คือกลุ่มที่มีคุณธรรมมีความรู้ควางสามารถสองชนิดที่จะสามารถรองรับ เพรธรรมคือปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้ได้คือมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิคือสามารถเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ mm hmm. กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพวกนักบวชทั้งหลายนี้เองกลุ่ ม, มที่สองก็เป็นพวกที่เป็ น, ปนกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถลดหลั่นลงมาคือก็เป็นนักบวชเป็นนักบวชที่มีศีลที่กําลังฝึกขัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็กําลังฝึกขัดการเข้าสมาธิ ยังเข้าไม่ได้รักษาศีลได้แต่ยังเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้ามีความเพียรพยายามฝึกการเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองที่จะต้องใช้เวลามากกว่ากลุ่มที่หนึ่งที่จะเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ พวกกลุ่มที่สามนี้ก็เป็นพวกที่ยังไม่ได้บวชยังไม่มีศีลที่บอยสุดมีศีลบ้างอาจจะเป็นแบบศีลแบบล้มลุกคุกคาน ย, ยังรักษาศีลห้าได้บ้างรักษาศีลแปดได้บ้างได้ฝึกขัดนั่งสมาธิได้บ้างแต่ทำได้น้อยเนื่องจากยังมีความรักมีความ ยินดีอยู่กับความสุขทางโลกกธรรมคือยังมีความสุขกับราบยศสรรเสริญมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่จึงทำให้ยังไม่สามารถที่จะถือศีลระดับของนักบวชได้คือศีลแปดขึ้นไปอาจจะถือศีลได้แก้ค่าศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานแบ่งปันให้แก่ ผู้อื่นได้พวกนี้ก็เป็นพวกคารวะาผู้คองเรือนที่ยังมีความมีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอยู่แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็เลยทำให้ต้องใช้เวลามากต้องใช้เวลาฝึกฝนไปเรื่อยๆก่อนแล้วถึงจะ ออกบวดได้ออกบวชได้ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนต่อไปอจนกว่าจะได้ได้ฌานได้สมาธิแล้วถึงจะเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้นี่คือบุคคลสามกลุ่มที่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนกลุ่มที่สนี้ เป็นพวกที่ไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อแต่เรื่องการหาความสุขทางโลกเพียงอย่างเดียวหาลาภหายศหาสรรเสริญหาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สนใจกับการเรื่องการทำบุญทำทานแบ่งปันไม่สนใจกับการรักษาศีล ถ้าการรักษาศีลเป็นการขัดขวางการเจริญทางลาบยศสรรเสริญก็จะไม่รักษาถ้าจะขัดขวางความร่ำรวยถ้าความซื่อสัตย์ขัดขวางความร่ำรวยก็จะยอมทุจริตถ้าซื่อสัตย์สุดจริตแล้วทำให้ไม่รวยแต่ถ้าทุจริตแล้วจะทำให้รวยก็พร้อมที่จะทุจริต <Yeah. S 1> พวกนี้แหละเป็นกลุ่มที่ ไม่สามารถเข้าถึงธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เป็นกลุ่มที่สี่ลองเปรียบเทียบเหมือนเป็นบัวสี่เหล่าบัวเหล่าที่หนึ่งคือพวกที่บัวเหนือเนี่ยบัวพลน้ำแล้วโบโผล่ววขึ้นมาเหนือน้ำแล้วรอให้ได้รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่จะโผล่ขึ้นมาในยามเช้าพอได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์โบที่โผล่ บัวที่โผลเหนือน้ำขึ้นมาแล้วก็จะบานออกมาทันทีนี่ก็คือจิตใจของผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิมีฌานมีอุเบกขาพอได้รับแสงสว่างแห่งธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีเลยอันนี้แหละคือกลุ่มแรกกลุ่มบัวที่เหนือน้า กลุ่มที่สองนี้ถือว่าเป็นบัวที่ปลิ่มน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมากำลังจะพ้นน้ำแต่ยังปลิ่มน้ำอยู่พวกนี้ก็ต้องรออีกวันสองวันรอให้โผ่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วก็จะรับแสงสว่างแห่งธรรมและบานได้ต่อไปส่วนบัวพวกที่สามนี้บัวกลางน้ำที่ยังต้องใช้เวลาที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นมา ให้ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอันนี้ก็ต้องใช้เวลาต่อไปถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาทำให้ตายไปก่อนก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้ <c oughs> และก็ปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ <c oughs> ส่วนบวกลุ่มที่สี่นี้ก็เป็นพวกที่อยู่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาอยู่แต่ยังอยู่กับโคลนตมอยู่ แล้วก็ไปถูกพวกสัตว์เช่นปลาปูปลานี้มากัดกินพวกนี้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เป็นพวกเป็นเป็นอาหารของพวกปูของปลาไปนพวกบัวขั้นบัวบัวเหล่าที่สี่บัวที่อยู่กับโคลนกับตมงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่า คนเราทุกคนนี่ไม่เหมือนกันได้สะสมวาสนาบารมีมาจากภพชาติก่อนไม่เท่าเทียมกันได้สะสมบุญสะสมบาปมาไม่เท่าเทียมกันจึงมีความรู้ความสามารถที่ต่างกันทำไมเราจึงมีนักบวชทำไมเราจึงมีผู้ไม่บวชทำไมเราจึงมีผู้ที่ไม่สนใจกับเรื่องของการ ทำบุญทำทานนักษาสงศีสนใจกับการแสวงหาแต่ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นเพราะชาติก่อนเคยทำอะไรมาก็จะทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปนั่นเองแต่ใครที่เคยทำบุญทำทานนักษาสีภาวนา พอมาเกิดชาตินี้ก็จะทําต่อมันจะติดมาเป็นนิสัยจะชอบทําทานชอบรักษาศีลชอบภาวนาชอบศึกษาธรรมะคําสั่งคําสอนพอมาเกิดถ้ามีโอกาสได้มาเจอที่ไหนที่มีการทําบุญทําทานก็อยากจะไปร่วมเช่นช่วงนี้มีการทําบุญทอดกรถิ่นผ้าป่ากันทั่วประเทศคนที่ชอบทําบุญทําทานก็จะไปร่วม แต่คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนก็จะไม่ไปคนที่ไม่ทำบุญทำทานก็มักจะไปที่อื่นไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายกันไปหาความลื่นเริงบันเทิงใจจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาชนิดต่างๆอันนี้มันเป็นนิ ส, สัยของแต่ละคนที่ได้ปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติ แต่นิสัยเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตายตัวถ้าเรามีโอกาสเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเราไปเกิดอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาชอบทําบุญทาทานรักษาศีลเช่นไปเกิดในครอบครัวที่ทําบุญทุกวันเช่นใส่บาตรทุกวันพ่อแม่ก็จะสอนให้ลูกที่มาเกิดในครอบครัวนี้ให้ใส่บาตรให้ทําบุญทุกวัน ทั้งๆ ท, ที่ชาติก่อนนี้อาจจะไม่เคยทำบุญไม่ชอบทำบุญแต่ตอนที่เป็นเด็กนี้ยังอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ของพ่อแม่อยู่ก็มักจะต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีทำบุญทำทานแล้วพอโตขึ้นมันก็เลยติดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาได้นิสัยที่ไม่เคยทำบุญทาทานก็จะหายไป อันนี้ก็เป็นได้เปลี่ยนได้นิสัยไม่ใช่เป็นของตายตัวว่าถ้ามีนิสัยอย่างนี้แล้วจะต้องมีอย่างนี้ไปตลอดทุกภพทุกชาติแต่ละภพแต่ละชาตินี่เวลาที่เรามาเกิดนี่เรามาเกิดในครอบครัวที่ต่างกันไปถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ทําบุญทําทานเราก็จะได้ไปนับนิสัยที่ไม่ทําบุญทําทานจากเขามา อันนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเคยทำบุญทำทานพอเรามาเกิดในครอบครัวที่ไม่มีการทำบุญทำทานเราก็ไม่ได้ทำ้วถ้าอาจจะทำให้เราดื่มเรื่องของการทำบุญทำทานไปก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเป็นนิสัยที่เข้มข้นที่ชอบทำบุญทำทานอยู่มาตลอดถึงแม้เราจะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ทำบุญทำทาน แต่เรากับไม่เหมือนคนในครอบครัวเขาไม่ชอบทำบุญทาทานแต่เรากับชอบทำบุญทาทานเขาไม่สอนเขาไม่บังคับให้เราทำบุญทาทานแต่เราก็อยากจะทำของเราเองเมื่อมีโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิสัยที่เข้มขน้นลึกฝังลึกที่เราอาจจะเรียกคำว่าสันดาณถ้ามันเป็นสันดาณแล้วนี้มันจะเข้มขน้นมันจะเปลี่ยนยากแต่ถ้ามันเป็นนิสัย ถ้าเป็นนิสัยนี่มันยังไม่เข้มข้นยิ่งถ้านิสัยแบบไม่ไม่ลึกไม่มากนี่อาจจะเปลี่ยนได้ง่ายนะนี่คือเรื่องของนิสัยที่พวกเราแต่ละคนได้มีการทามาแล้วติดมากับใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายของเรานี่ไม่ไม่มีนิสัยนีงนิสัยนี่อยู่ในใจ แล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นการแสดงออกของนิสัยของเราท้งนเองใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญใจเป็นผู้สั่ง่งให้ร่างกายไปหาความสุขทางโลกไม่ใช่ร่างกายดังนั้นสิ่งที่อยู่ในใจมันจึงไม่ได้สูญหายไปเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็มาเราก็มาทำต่อในสิ่งที่เราเคยทำต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดอยู่กับครอบครัวใดด้วยสังคมใดด้วยแล้วขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของนิสัยของเราว่าเข้มข้นมากน้อยเพียงไรถ้าเข้มข้นมากถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในสังคมที่ไม่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราเคยทำเราก็ยังจะทำในสิ่งที่เราเคยทำอยู่เขาเปลี่ยนเราไม่ได้ถ้าเรามีนิสัยที่เข้มข้นอย่างพระพุทธเจ้านี่ ถึงแม้จะไปเกิดอยู่ในตระกูลของกษัตริย์ที่มีการแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญกันและมีการกีดกันด้วยพระราชบิดานี้พยายามกีดกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ไปทำบุญทําทานให้แต่หาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถปิดกั้นใจของพระเจ้าชายสิทธัตถะที่เคย ศึกษาที่เคยปฏิบัติที่เคยมีศีลที่เคยมีสมาธิมาได้จึงจึงปิดกั้นไม่ได้เมื่อถึงเวลาก็จะเลือกทางที่ตนเองชอบที่ตนเองถนัดทางที่เจ้าชายสิทธัตถะชอบทางถนัดก็คือการสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองทรงเห็นว่าการหาความสุขทางโลกนี้ ไม่ได้เป็นทางที่จะนำให้พ้นจากความทุกข์ได้มีแต่จะทำให้ติดอยู่กับกองทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือการพิจารณาการตัดสินใจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตอนต้นนี้ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนเลยเพราะไปคิดว่าเป็นพวกเหล่าที่สี่กันคิดว่าคนทั้งทั้งหมดนี้เป็นพวกเหล่าที่สี่ เป็นคนที่ชอบแสวงหาแต่ความสุขทางโลกแสวงหาราบยศสารเสริญสุขส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพราะองค์อยู่ในในแวดวงของผู้ที่มีความเจริญในราบยศสารเสริญสุขก็ได้เป็นพระราชามาหมากริย์ก็ต้องมีพวกเ <c oughs> พื่อนฝูงพวกญาติสนิทมิสายที่ชอบการแสวงหาราบยศสารเสริญสุข ก็ได้อาจจะทำให้สรุปว่าทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดคือไม่มีใครสนใจที่อยากจะสละความสุขทางโลกเพื่อเข้าหาความสุขทางธรรมเพื่อเข้าหาการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในเบื้องต้นจึงมีความท้อทไทยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนใคร แต่หลังจากที่ได้ทบทวนหลังจากที่มีพระพรคมได้มาขออาลาธนาให้พระองค์ได้ทรงทบทวนดูก็ทรงเห็นว่ามีบุคคลหลายชนิดด้วยกันหลายระดับด้วยกันมีสามระดับที่อยู่ในระดับที่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาปฏิบัติตั้งกันไป ในเบื้องต้นพระองค์จึงทรงเลือกทรงสั่งสอนพวกที่เป็นพวกมีความสามารถสูงที่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองก็เลยไปนึกถึงนักบวชสองรูปที่เป็นพระอาจารย์ของพระองค์จงเห็นว่าพระอาจารย์สองรูปนี้จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะ เข้าถึงธรรมะที่ พ, พระพุทธเจ้าได้ส่งเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิงคิดที่จะไปโปรดพระอาจารย์สองลูกนี้แต่ก็ได้ยินข่าวมาว่าทั้งสองลูกนั้นได้ตายไปแล้วไม่นานองหนึงเพิ่งตายไปเมื่อเจ็ดวันก่อนอีกองค์เพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยทําให้พระองค์รู้สึกว่าน่าเสียดายเพราะว่าถ้าตายไปแล้ว ท่านหลังนี้ก็จะต้องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็อยู่ไปเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้อีกแล้วก็จะเหมือนกับไม่ได้มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะติดอยู่การปฏิบัติที่ถึงขั้นชั้นพรหมนี้เท่านั้นเพราะไม่สามารถที่จะ เข้าถึงอริยสัจสีเข้าถึงตายรักได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีคนที่ฉลาดกว่าเช่นพระพุทธเจ้านี้เข้าถึงได้แล้วเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็เป็นถือว่าสองรูปนี้หมดโอกาสโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าองค์นี้คงจะไม่มีอาจจะต้องรอไปรอโอกาสได้พบกับ พระพุทธเจ้าอง ต, อต่อต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาด้วยกันไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้มาเกิดในยุคไหนสมัยใดได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนามันไม่ได้เป็นของที่เราจะสามารถกําหนดทำนายกันได้เป็นของเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เราก็ไม่สามารถไปกาหนดได้ว่าวันนี้เราจะถูกหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงว่าเรานี้ตอนนี้โชคดีเราได้ถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วเราได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระธรรมประเสริฐที่จะสอนให้เราปฏิบัติให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะ เข้าใจแนละใฝ่ใจสอนใจว่าเราโชคดีตอนนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็เหมือนกับคนที่ได้ตรวจรางวัลลอตเตอรี่แล้วก็รู้ว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปก็คือไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกแล้วยังไม่ไปขึ้นรางวัล ก็ยังไม่ได้รางวัลก็เหมือนกับไม่ถูกอยดีเช่นเดียวกับการที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่นำเอาไปปฏิบัติ <Yeah. S 2> ถ้าไม่ไปปฏิบัติทรรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ด กเหมือนกับการรับประทานยานี้เวลาเราไม่สบายเราก็ไปหายามารับประทานแต่ถ้าเราได้ยามาแต่เราไม่รับประทานยานั้นถึงว่าจะมีความสามารถที่จะกาจัดโครคภัยไข้เจ็บของเราได้แต่ถ้าเราไม่รับประทานยายานั้นก็ทำหน้าที่ไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันก็จะไม่หายไปจากการซื้อยามาล ห, ห, หรือรับยามาแล้ววางไว้เฉย ไม่นำเอาไ ป, ปไม่ไม่เอาใบรับประทานฉันได้การศึกษาการได้ยินได้ฟังธรรมได้รู้แล้วว่าเราได้ถูกกอเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลุดพ้นไม่ได้ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า จะประสลด ย, ยางไรก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราดุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่นําเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านอกจากได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้รู้แล้วว่าความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ประเส ร, ริเลิดโลกที่จะช่วยพาให้เราได้ดุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราไม่น้อมนําเอามาปฏิบัติ เราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ตอนนี้เราอาจจะเป็นบัวเราบัวกลุ่มที่สามบัวกลางน้ำคือพวกเราก็ยังมีศรัทธามีความเชื่อในบุญในบาทมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและมีการเชื่อว่าถ้าได้รับการได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้เราอาจจะมีความเชื่ออย่างนี้อยู่เราจึงมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทาทานกันเพียงแต่ว่าเรายังหาเวลาหาโอกาสที่จะพัฒนาจากจุดนี้ให้มันสูงขึ้นไปก่อนนี้ไม่ได้คือตอนนี้เราอาจจะรักษาศีลห้าได้ทำบุญทาทานได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิได้บ้างก่อนนอนเึน่ตื่นเช้าขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง การที่จะทำให้มันได้ประโยชน์มีพลังขึ้นมานี้เราต้องทำให้มากขึ้นไม่ใช่ทำแต่เฉพาะแค่เป็นครั้งสงครั้งในในแต่ละวันเป้าหมายของการปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราได้ปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นจะทำให้เราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทําต่อไปนี้ก็คือพยายามขวนขวายพัฒนาการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้นถ้าตอนนี้เรายังรักษาศีลห้าให้เป็นมิจฉาสินไม่ได้คือรักษาแบบเป็นเป็นมิจฉสยัยรักษาตลอดเวลาไม่ใช่มารักษาเพียงแต่เฉพาะวันพระเราก็ต้องพยายามรักษาเพิ่มขึ้นไป ถ้าเรารักษาสี่ห้าเพียงแต่วันพระต่อไปเราก็ต้องเพิ่มเป็นสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันได้ครบทั้งห้าวันทั้งเจ็ดวันนแล้วพอเราได้รักษาศี่ห้าได้ตลอดเวลาแล้วเราก็พัฒนาต่อไปเพิ่มเป็นการรักษาศีแปดขึ้นมาในวันพระก่อนเนี วันธรรมดาเรามีภารกิจธรรมาหากินไม่สะดวกที่จะรักษาศีแลแปดเราก็เราเอาวันหยุดวันหยุดวันไหนก็ได้เราหยุดวันไหนก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพระของเราก็แล้วกันวันนั้นเราก็จะเอาเวลาวันหยุดนี้มาให้กับการพัฒนาการปฏิบัติของเราเปลี่ยนจากการถือศีลห้าให้เป็นการถือศีลแปแล้วก็เพิ่มการ จะรสตินั่งสมาธิให้มีมากขึ้นเพราะวันที่เราหยุดทำงานนี้เราไม่ต้องมีภารกิจที่จะไปทำอะไรอย่างอืยถ้าเราสามารถปลีกตัวของเราแยกออกจากคนที่เราอยู่ได้ยิ่งดีใหญ่ถ้าเราสามารถไปอยู่ที่ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวด้วยเราก็จะได้มีเวลาได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เรานอนเท่านั้น นี่คือการพัฒนาการบำเพ็ญความเพียรเพื่อให้ยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นจากระดับบัวกลางนะให้ขึ้นไปเป็นบัวปิ่นน้ำแล้วก็ให้เป็นบัวพ้นน้ำไปตามลำดับนต้องมีการผลักดันถ้าอยู่ๆจะปล่อยให้มันขึ้นไปเองนี่มันไม่ขึ้น ไม่เหมือนไม่เหมือนพวกบัวนี่มันขึ้นไปเองโดยธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันมันมันเกิดมาแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญงอกงามขึ้นไปตามตามเวลาแต่มันก็ต้องมีปัจจัยเสริมให้มันจเจริญเติบโตมันก็ต้องมีดินมีน้ำมีอะไรคอยถ้าเกิดไม่มีน้ำบัวก็ตายได้มันก็ต้องมีปัจจัยคอยเสริมพวกเราก็ต้องมีปัจจัยคอยเสริม ปัจจัยที่จะคอยเสริมก็คือการหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็การคอยอคอยกระตุ้นการการปฏิบัติของเราไม่ใช่จะหวังให้มันปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเองไปโดยตามลาพังนี้มันจะไม่เป็นไปส่วนใหญ่มันจะติดอยู่ที่เดิมเคยทำเท่าไหร่มันก็จะมักจะทำเท่านั้นถ้าเคยรักษาศีลแค่วันพระ มันก็จะแค่รักษาศีลแค่วันพระถ้าเราไม่กระตุ้นมันเราต้องใช้การกระตุ้นเพิ่มมันขึ้นไปบังคับมันให้มันเจริญขึ้นไปโดยรักษาศีลห้าวันเดียวก็เพิ่มเป็นสองวันแล้วก็เพิ่มเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปจนกระทั่งมันได้เต็มร้อยแล้วก็เปลี่ยนมาจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดศีลแปก็เอาวันเอาวันพระก่อนวันหยุดก่อน ถ้าวันหยุดสองวันก็เอาศีลรักษาศีลแปดสองวันไปปิดตัวอยู่ตามลำพังแล้วก็ปฏิบัติภาวนาให้มากขึ้นทาถ้าอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานอะไรต่างๆท่องทำก็จะสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาการปฏิบัติของเราไม่มีใครมาพัฒนาให้เราได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตอนต้องเป็นผู้ที่ฉุดลากหรือผลักดันจิตใจของตนให้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปมันจะไม่ขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติแม้จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ขึ้นมันต้องปฏิบัติต้องผลักดันของตัวเราเองถ้า ถ้าการได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันต์แล้วทำให้เราได้เป็นพระอรหันต์โดยที่เราไม่ต้องผักดันนี้มันก็เป็นนั้นคนที่ได้อยู่ก็ต้องเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วมีพระที่ไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์แต่ก็ไม่มีพระทุกลูกที่ไปอยู่ไปศึกษากับท่านเหล่านั้นที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดมีบางรูปก็บรรลุบางบางรูปก็ไม่บรรลุ เพราะอะไรก็เพราะนี่แหละเพราะ อ, อัตตาหิอัตนโนนาโถเนี่ยเพราะไม่ผักดันตัวเองให้ปฏิบัติตามเยี่ยมอย่างของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทำตัวอย่างที่ดีแล้วท่านก็สอนให้ปฏิบัติให้เข้มข้นแต่ถ้าเราไม่ผักดันให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็ก้าวหน้าไปไม่ได้จเจริญขึ้นไปไม่ได้เราก็จะติดแกกอยู่ที่เดิมไปทาอะไรเท่าไหร่เราก็มักจะทำเท่านั้น เพราะว่าเวลาที่จะต้องทำเพิ่มนี่มันเหนื่อยมันต้องใช้กำลังมากมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่มันฝืนใจฝืนกิเลสการปฏิบัตินี้เป็นการฝืนกิเลสเป็นเหมือนกับเข็นครบขึ้นภูเขามันไม่ใช่เป็นของง่ายมันไม่เหมือนกับการไปเที่ยวไปหาความสุขทางโลกมันเป็นเหมือนเดินลงเขาแต่มันจะไม่ต้องใช้แรงเลย เรื่องไปเที่ยวนี้พอใครชวนปุ๊บนี่มันไปได้อย่างทันทีแต่เรื่องให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้โอ้ยมีเรื่องต่างๆมีอุปสรรคต่างๆขวางกั้นไปหมดเลยติดคนนั้นติดเรื่องนี้ติดไปหมดถ้าเราไม่ตัดเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเราไม่ผลักดันเราก็จะไปไม่ได้และการที่เราจะผลักดันตัวเราเองนี้เราก็ต้องมีการกําหนดถ้าเราไม่กําหนดไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้หรือเดือนนี้ จะปฏิบัติจะถือศีลแปกี่วันต้องมีการกำหนดการกำหนดนี้ทางภาษาพระเราเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานคือการกำหนดการปฏิบัติของเราว่าเราจะปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่เ <iet> ช่นเดือนนี้เราจะถือศีลแปกี่วันเรามีวันหยุดกี่วันเราก็ถือศีลแปดไปเท่านั้นหรือถ้าเราคิดว่าเราสามารถ ถือได้มากไปกว่า น, นั้นเราก็กําหนดไว้เราต้องกําหนดไว้ก่อนแล้วเราจะได้ทำตามที่เราได้กําหนดไว้ถ้าเราไม่กําหนดไว้เราก็จะไม่ถูกบังคับให้ทานั่นเองพอถึงเวลาเราก็จะไม่ทำดหงนังการที่เราจะก้าวหน้าได้การที่เราจะเจริญในทางธรรมได้นี้สิ่งที่เราต้องทำคือตั้งเป้าไว้แม้อาจจะไม่ต้องตั้งเป้าให้ถึงจุดสูงสุดเลยเพราะมัน มันไกลเกินไปเอาเป้าใกล้ๆก่อนเอาถ้าอยู่ในระดับศีลก็เอาศีลห้าให้ได้ก่อนศีลห้าได้แล้วเราก็ปรับขึ้นไปศีลแปดหรือถ้าอยากจะปรับไปมากกว่า น, นั้นก็ศีลสิบถ้าศีลสิบหรือศีลสองร้อยยิบเจ็ดถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระอันนี้ก็คือระดับศีลเราต้องตั้งเป้าแล้วปรับมันให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ และการปฏิบัติเราก็ต้องเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้มากขึ้นตอนนี้ทำได้วันละชั่วโมงเราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปจะเพิ่มเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วต้องทำตามที่เราตั้งด้วยถ้าตั้งไว้แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นการหลอกตัวเองหลอกให้เรารู้สึกดีใจว่าโอ้เราตั้งเป้าแล้วนะเราพยายามแล้วนะแต่พอถึงเวลาก็ไม่ทามันก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งเป้า การตั้งเป้านี้เป็นการบังคับไม่ให้เราทะเลทลายไม่ทําอะไรอย่างอื่นนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวเราก็ถึงเวลาเราจะไปทําอะไรแล้วก็ไปทําได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วพอถึงเวลานี้เราจะไปทําอะไรอย่างอื่นก็จะทําไม่ได้เราก็ต้องทําในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เมื่อเราตั้งเป้าแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือขยันทํามันไม่ให้ตั้งเป้าไว้แล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทํำ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องทําแล้วถ้ามันยากก็ต้องอดทนถ้ามันทุกข์ยากลําบากก็ต้องอดทนเพราะอย่างที่พูดเนี่ยการปฏิบัติทำการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับนี้มันเป็นเหมือนการการเข็นครบขึ้นภูเขามันไม่ง่ายและบางทีมันก็กลิ้งลงเวลาที่เราอ่อนแรงมันก็อาจจะกลิ้งกลับลงมาข้างล่างอีกก็ได้ การยกระดับจิตนี้ไม่ใช่ว่ามันจะยกขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงลงมาถ้าเกิดเราพลาดพรั้งเราเกิดเถอสติเราเกิดความประมาทขึ้นมาเราเคยรักษาสีแปได้อยู่ดีๆกลับมารักษาศีห้าก็ได้หรือเคยรักษาสีห้าได้อยู่ดีๆก็อาจจะไม่ได้รักษาศีห้าก็ได้เ่นกลับมาดื่มชวลายาเมาก็ได้คอยเลิกดื่มชวรายาเมาแล้วแต่ถ้าเราประมาทไม่คอยคอยกำชับคอยควบคุม คอยระวังพอมีเพื่นอนฝูงมาชวนไปถ้าใจอ่อนก็ไปเลยไปอ่อนที่นี้ก็เสียเลยเสียศีลไปเลยมันลงง่ายนะแต่เวลาขึ้นมันยากถ้ามันขึ้นได้แล้วต้องพยายามเพียรรักษาอย่าปล่อยให้มันลงมาเพราะลงมาแล้วมันเสียเวลาเหมือนกับเดินหน้าสองเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสองเก้าก็ไปไม่ถึงไหนสียทีเมื่อเราไปเดินไปข้างหน้าแล้วเราอย่าถอยหลังอย่าให้มันถดถอย พยายามใช้ความขยันความเพียรความอดทนนี้คอยกานการการถอยหลังของการปฏิบัติของเราถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการปฏิบัติของเราก็จะไม่คืบหน้าเราก็จะไม่ก้าวไม่พัฒนาจากบัวเหล่าที่สามขึ้นมาเป็นบัวเหล่าที่สองขึ้นมาเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งได้ถ้าเรายังไม่ไปถึงระดับบัวเหล่าที่หนึ่งถึงแม้ว่าเรา จะได้สัมผัสกับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไดก็ตามเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะใจของเรายอยู่อยู่กลางน้มอยู่ยังเข้ายังเข้าไม่ถึงธรรมันประเสริฐเข้าได้แต่เสียงเข้าใจแต่ไม่สามารถนามาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อสร้างศีล mm. เพื่อสร้างสมาธิ mm. สร้างอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ mm. ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วบวรดาที่เรารู้ว่าเราต้องสู้กับกิเลสเราก็จะสู้ได้เพราะการสู้กิกเลสนี้เราไม่ต้องทำอะไร mm. เพียงแต่เฉยเท่านั้นเองกิเลสบอกให้โลภเราก็อย่าไปโลภตามเท่าน้อกิเลสบอกให้เราโกรธเราก็อย่าไปโกรธตามเท่านั้นเอง มันก็จบแต่ถ้าเราไม่มีอุูเบกขายังไม่มีกาลังที่จะอยู่เฉยๆได้เนี่ยพอมีอะไรมากระตุ้นให้โลภนี้มันไปทันทีเลยพอมีอะไรมากระตุ้นให้โกรธนี้มันไปทันทีเลยมีอะไรมากระตุ้นให้หลงนี้มันจะไปทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันก็คือยกระดับจิตใจของเราตอนนี้พวกเราอยู่เป็นพวกบัวเหล่าที่สามกัน ศรัทธาญาติโยมนี่ที่ไฝ่บุญไฝ่กุศลที่เชื่อบุญเชื่อบาป ท, ที่ชอบทำบุญทาทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมฝึกสมาธินี้ถือว่ายังเป็นบัวเหล่าที่สามอยู่ต้องพยายามขวนขวายยกระดับที่เป็นเหล่าที่สามเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดเวลานั่นเองเพราะเรายังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นกับเรื่องราวต่างๆอยู่ จึงไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติแบบเข้มข้นแบบนักบวชได้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเท่าที่เราจะทำได้ในสถานะของผู้คองเลือนไปก่อนจนกว่าการปฏิบัติของเรานี้มีพลังแลวมันจะบอกให้เรานี้เปลี่ยนสถานภาพได้เองถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยเรามีเรามีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้น เดี๋ยวมันจะเป็นผู้บอกเราเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนสถานภาพนะเราเคยเป็นผู้คองเรือนต่อไปเราจะไม่เป็นผู้คองเรือนแล้วเราจะออกบวชกันนะเพราะเราต้องการจะเอาเวลามาปฏิบัติให้เต็มที่เพราะเวลาที่เราไม่อยู่ในขณะนี้มันไม่พอเพียงต่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดซึ่งไปได้กำจัดได้บ า, บางระดับแต่บางระดับที่ยากที่สูงนี้ยังทาไม่ได้ ถ้าอยากจะกาจัดมา น, นี้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสถานภาพอยากการเป็นผู้ครองเรือนไปเป็ น, เ ป, นเป็นผู้นักบวชเราจึงมักจะเห็นเพื่อนฝูงของเราบางคนเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเขาไปบวชกันอั น, นั้นหละเพราะว่าเขาเขารู้แล้วว่าสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนนี้ไม่พอเพียงต่อการที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จำเป็นต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่และไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการได้เป็นไ ป, ไปอยู่แบบนักบวชเพราะการไปอยู่แบบนักบวช น, นี้เราจะได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ได้กับเพื่อนจะธรรมิกะผู้ที่ฝ่ายธรรมเหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติเข้มข้นเหมือนกัน และดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นตัวที่จะเป็นแบบฉบับให้ให้กับเราเราไปอยู่เราปฏิบัติแบบสบายสบายพอไปเห็นขั้นปฏิบัติแบบเข้มข้นมันก็อาจจะทำให้เราต้องเพิ่มการปฏิบัติของเราไปถ้าเราอยู่กับมีตัวอย่างที่ดีเป็นแบบเป็นฉบับมันก็จะดึงให้เราได้ปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นได้ถ้าเราไปอยู่กับแบบฉบับที่อ่อนแอไม่ค่อยปฏิบัติ มันก็จะทําทให้เราอ่อนแอไม่อยากปฏิบัติตามไปด้วยดัยงนั้นการไปบวชนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องหาวันหากลุ่มที่มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกิจกรรมทางอื่นให้เอาแต่เรื่องของการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเรื่องกิจกรรมทางอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นบุญในกุศลก็ต้องต้องนั่งับไปเพราะว่ามัน มัน ไ, ไม่พอเพียงต่อการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้เช่นว่าที่ปฏิบัติจริงๆนี้จะไม่มีเรื่องพิธีกรรมต่างๆไม่มีงานบุญต่างๆนอกจากจําเป็นจริ ง, รงๆปีละอาทิตย์ละครั้งก็จะมีวันพระสักครั้งหนึ่งที่ให้ญาติโยมเข้ามาทาบุญทำทานนอกนั้นแล้วมักจะปิดวัดเนี่ยวันธรรมดานี้จะไม่ให้ญาติโยมเข้ามายุ่งเลยพระไปบิณฑบาตกรรมฐานเสร็จก็ ่างคนก็ปีกไปที่อยู่ของตนเองปฏิบัติกันไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านทางโลกไม่ว่าจะเป็นบุญภาพป่าบุญกรถินบุญอะไรก็ตามบุญสัมมาทานการก่อสร้างอะไรต่างๆก็มีให้น้อยที่สุดมีเท่าที่จาเป็นเพราะภารกิจเหล่านี้มันจะมาทำลายภารกิจที่สำคัญคือการภาวนาการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนั้นได้ มีศักยภาพมีสติมีสมาธิมีอุเบกขาเพื่อที่จะได้เข้าถึงปัญญาประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้าถึงอริยสัจสีเข้าถึงไตรลักษณ์ได้ถ้าเห็นอริยสัจสีเห็นไตรลักษณ์เข้าใจแล้วก็จะสามารถใช้อริยสัจสีใช้ไตรลักษณ์นี้มาหยุดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เพราะกิเลสตัณหา ได้ถูกทำลายไปด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยขึ้นที่เคยเกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปหมดแล้วจะไม่กลับมาอีกต่อไปถ้าถูกทำลายด้วยปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรกลายเป็นจิตบริสุดิจิตนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อันนี้แหละคือประโยชน์ของการที่เราได้มาศึกษาได้มาได้ยินได้ฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นบัวเหล่าไหนกันแล้วเราจะต้องเพิ่มพัฒนาบัวของเรานี้ให้มากขึ้นได้อย่างไร<ม>ก็พัฒนาที่สามตัวนี้แหละคือศีลสมาธิปัญญา<ม>ทานก็ทําไปตามกําลังของเราตามองค์กายของเราแต่ศีลนี่สําคัญศีลต้องเพิ่ม จากศีลหเป็นศีลแปไปศีลส0ไปศีล227ภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิก็ต้องทำให้มากขึ้นจนสามารถเข้าสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มาเจริญปัญญาบารพิจารณญอันิจจังทุกขังอนัตตา ว, ว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดได้แล้วใจเราก็จะหมดทุกหมดสง หมดการเวียนว่ายตายเกิดอ น, นี้คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาลิวาหาปูราปาริปูเลนติสะกะลังเอวะนิวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกา ป, ปติ อิชิตังปทิตังตุนหังเิ็บเมวะสมิชจโตสัพเพปเรนโุสังกาปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารุโควินาสตุ มาเตภวัตะวันตะรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนรสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารูธมรมวาทาติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครอยากจะถามอะไรสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามด้วยการใส่เขียนใส่ข้อความเข้ามาก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาหรือส่งมาทางเพจก็ได้หรือเข้ามาถามเองก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ค่ะผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ408ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์254ท่านด็อกยูทูบด็อ r V Channel 84ท่านวิทยุออนไลน์8ท่าน Club h ฮ u s e 17ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ131ท่านรวม902ท่านค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็อ่านถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ บาปกรรมชั่วที่มีผู้กระทำต่อเราและครอบครัวโดยที่เราไม่ตอบโต้และยอมรับ ก็เพราะด้วยคําสั่งสอนตักเตือนจากเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้สติให้ยอมรับอย่าตอบโต้ซึ่งปัจจุบันผู้ผู้กระทำชั่วนั้นก็ได้รับผลกรรมจากการกระทำอย่างรุนแรงซึ่งสิบผู้ถามได้ทราบเรื่องแต่ไม่ได้บอกให้ครอบครัวทราบซึ่งทางครอบครัวก็ยังคาใจคอยถามตลอดว่าทาไมคนกระทาชั่วถึงยังไม่ได้รับกรรม สิทการขอเมตตาจากหงวงพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าควรบอกให้ครอบครัวทราบหรือไม่ถ้าไม่บอกเรื่องนี้จะยังคาใจบุคคลในครอบครัวตลอดไปแต่ถ้าบอกก็เกรงบุคคลในครอบครัวจะสะสมแก่ใจในผลกรรมที่เขาได้รับสิทกลัวจะเป็นการผูกกรรมต่อกันไม่รู้จบสิ้นและควรมีวิธีบอกอย่างไรครับผลของบาปหรือของบุญนี่มันเกิดขึ้นอยู่สองส่วนด้วยกัน เกิดขึ้นทางจิตใจกับเกิดขึ้นทางร่างกายผลที่จะเกิดขึ้นกับทางร่างกายนี้มันมันช้าเร็วมันเราไม่รู้แล้วมันถูกมันเป็นเพราะบาปอันไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราทำหลายกระทงด้วยกันทำหลายบาปหลายกระทงทำบุญหลายวาระด้วยกันแล้ววาระที่มันจะส่งผลบุญหรือผลบาปต่อทางร่างกายมันก็เลย ชาหรือเร็วมากหรือน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงมันได้อันนี้ทางด้านร่างกายเช่นคนทาดีแล้วยังทาไมคนทำชั่วแล้วทำไมยังได้ดีได้ดีอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามันเป็นผลที่เขาได้ทำความดีไว้ในอดีตก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผลทางทางร่างกายทางโลกนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการทำบุญหรือทำบา เพราะว่ามันคนที่ทำบาปแ ล, ล้วร่ำรวยก็มีเยอะแยะไปคนที่ทำบุญแล้วยากจนก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถวัดทางลาบยึดสารสริทได้ถึงเรื่องผลของบุญผลของบาปผลของบุญของบาปนี่เราวัดได้อย่างแน่นอนก็คือหนึ่งในความรู้สึกของผู้กระทาเองผู้ใดกระทาบุญแล้วจะมีความสุขใจใครทำบาปแล้วจะมีความไม่สบายใจและความทุกข์ใจ มีความหวาดกนนังวลม่ความหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เกิดขึ้นแน่นอนกับแต่ละคนผู้กระทำแล้วผลทางใจที่ที่สองที่จะตามมาก็คือเวลาที่ไปเกิดใหม่อันนี้ก็จะส่งให้ไปอบายหรือไปสวรรค์ถ้าทําบุญก็ตายไปก็ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าทำบาปมากกว่าทําบุญก็ต้องไปอบายก่อน ไปใช้กรรมแนวบายอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปตกนรกอันนี้เรามองไม่เห็นเพราะใจมันเป็นเป็นกายทิพย์ <c oughs> ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อตาของร่างกายต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงมีสัตว์โลกชนิดต่างๆ ทำไมเราถึงต้องมีเปฏ์มีอสุลกายมีนรกมีเดระฉานทำไมถึงมีเทพมีพรมอันนี้เป็นผลทางด้านจิตใจที่เกิดจากการทําดีทำเชื่อเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เราจะไปดูผลบาปของเขาผลบุญของเขานี่ยากอย่าไปดูเลยดูที่ตัวเราดีกว่าดูที่ตัวเราว่าเราจะทําบาปหรือทำบุญดีกว่าถ้าเราคิดจะทําบาปก็อย่าทําดีกว่า แล้วก็ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะมีความสุขถ้าเราทําบาปไปแล้วเราก็จะมีความทุกข์แล้วนอกจากนั้นก็ไปสร้างเวรกรรมไปสร้างเจ้ากรรมในเวรให้เกิดขึ้นพอเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะต้องมากลับมาทําร้ายเราเป็นเรื่องปกติของของจิตใจที่เมื่อถูกทําร้ายก็ต้องอยากที่จะตอบแทนถ้าทําดีก็อยากจะตอบแทนความดีใครทําความดีกับเราเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเขา ใครทำร้ายกับเราเราก็อยากที่จะแก้แค้นของอันนี้มันเป็นเรื่องของทําไมเราไม่ควรทําบาปเราจะได้รันับการจองเวรจองกรรมไม่ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรให้เกิดขึ้นมานั่นเองการไม่ทําบาปให้เราดูอย่างนี้ส่วนเขาจะทําบาปก็เรื่องของเขาตอนนี้เขาอาจจะสุขเจริญอยาก จ, จะร่ํำรวยอะไรของเขาก็แล้วแต่ แต่วันเวลาเขาตายไปนี่เขาต้องไปอาบายน่ๆถ้าเขาทำบาปแล้วในขณะที่เขาอยู่ใจเขาก็ไม่มีความสุขใจเราก็จะร้อนด้วยความทุกข์ด้วยความกวาดกลัวความกังวลต่างๆ ง, งั้นเราอย่าไปดูใจของคนอื่นเลยเรามาดูใจของเราดีกว่าใจเราอย่าไปทำบาปแล้วใจเราจะมีจะไม่ร้อนถ้าเราอยากให้ใจมีความสุขเราก็ทำบุญไปท่านี้พอละดูแค่นี้ดู ดูกฎแห่งกรรมดูแค่ตรงนี้ดีกว่าเห็นได้ชัดเจนเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเขาจะไปตลกมกไปตกนรกหมกไหมแล้วเขาจะไปนิพพานมันก็เป็นเรื่องของเขาคำถามต่อไปจากหน้ากุติค่ะจิตรู้ว่ามีเมตตามากจะดึงสิตสู่อุเบกขาให้เร็วจัปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็นั่งสมาธิเจริญสติอยู่เรื่อย คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปให้ใจอยู่กับพุทโธก็ได้หรืออยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้ถึงกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่กับการอาบน้ํารับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าปล่อยให้คิดบังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทําแล้วใจก็จะมีโอเบขาขึ้นมาตามลำดับ อย่างเมื่อกี้มิยอมคนหนึ่งบอกว่าเจริญสติทั้งวันแล้วอุเบกขามีมากขึ้นลองทำดูเสร็จแล้วมันจะเห <c oughs> ็นผลเองเข้าต <Bear> ่อไปจากหน้า <modular> ก <can S 2> ุฏิค่ะ ที่เรียกว่าจิตเข้าสู่มรรคหรือจิตตกสู่กระแสธรรมอะไรเป็นสิ่งวัดตรงนี้ครับต้องเกิดสภาวะคือการเจริญสติปฐานสี่จนจิตรวมเกิดเจตัววิมุตติใช่ไหมครับที่เรียกว่าแยกธาตุแยกขันโยอมเข้าใจถูกไหมครับไม่หรอกคือการเห็นอนิจจังคือการเข้าถึงกระแสธรรมเห็นตายลัคต้องเห็นตายนะเห็นอ น, นิจจังเห็นมี มีการเกิดแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดาอย่างพระอัญญาณโกนทัญญาเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาไปกลัวตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไปห้ามมันไม่ได้ยอมให้มันตายดีกว่าเพราะยอมตายแล้วจะไม่ทุกข์กับความตายถ้าไม่ยอมตายอยากจะอยู่นี่มันจะทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดดังั้นต้องเห็นเห็นความจริงเห็นว่าร่างกาย มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามคําถามฝากถามค่ะการดูการปฏิบัติของเราเองว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านั้นให้ดูจากนิสัยเสียเสียของเราหายไปใช่หรือไม่เจ้าคะถ้านิสัยเสียเสียของเรายังอยู่แสดงว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าใช่ไหมเจ้าคะกราบสาธุในความเมตตาให้คําแนะนําเจ้าค่ะคือมันก็มีการมองได้หลายระดับ ระดับนิสัยก็ดูได้ว่านิสัยไม่ดีได้ถูกกำจัดไปหรือยังหรือยังอยู่กับเราอยู่อันนี้ก็เป็นการดูอย่างหนึง่งระดับทานก็ดูว่าใจเราเสียสละได้มากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็อยู่ในระดับทานระดับศีลก็คือเรารักษาศีลได้มากขึ้นหรือน้อยลงระดับใจก็ระดับนิสัยว่าเราโลภมากหรือโลภน้อยลงโกรธมากหรือโกรธน้อยลง อะไรทํานองนี้ก็เป็นการวัดได้ <c oughs> คำถามจากคุณจรัญญาคะ่ะขณะภาวนาพุทโธอยู่ในใจนั้นกิเลสความหลงมีอยู่หรือเปล่าคะอ๋อมีมันไม่ตายจากการภาวนาด้วยสติเพียงแต่อาจจะระงับมันทำงานชั่วคราวถ้ามันมีสติคุมไว้มันก็จะไม่สามารถคิดไปทางความโลภโกรธหลงได้ แต่พอเราเพ้อสติปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็คิดไปทางความโลภปวดลงได้การที่จะทําให้กิเลสหายไปนี้ต้องใช้ระดับปัญญาต้องเห็นเห็นสิ่งที่เราโลก ว, ว่ามันเป็นทุกข์พอสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ก็กิเลสก็จะหายไปแต่ถ้าเรายังเห็นว่าเป็นสุขยังดีอยู่ได้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขมันก็อยากได้สิ แต่ถ้าเราไปเห็นว่าถ้าได้มาแล้วจะทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ อีกคำถามค่ะโยมปฏิบัติมาถึงจุดที่ไม่สนใจอะไรพยายามระลึกเตือนตัวเองเสมอว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟมารวมกันเป็นอาการ32โดยมีเหตุที่เกิดขึ้นแต่เหตุนี้ก็ค่อยๆลดลงสังเกตจากร่างกายนี้ที่เสื่อมชราลงมีผมงอกคิ้วขาวเป็นต้นเราพิจารณาเราเห็นอยู่ของการเกิดอาการ32นี้ยังแค่เริ่มต้นเจ้า เจ้าขาพระอาจารย์ฝึกอย่างนี้ต่อไปเลยใช่ไหมคะเพราะโยมรู้สึกเบาสบายคือบอกตัวเองเสมอว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงสักวันก็สลายเป็นดินน้ำลมไฟแยกกันออกไปเราเป็นแค่ผู้ดูเออการมองเห็นความแก่นี้มันไม่ยากทำใจพอจะทำใจได้ ถ้าต้องไปเห็นตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะทําใจได้หรือเปล่าเนลาปวดท้องขึ้นมาปวดศรีรษะขึ้นมาแล้วก็เฉยๆมันปวดก็ปวดไปมันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นธรรมดาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหัดทําให้ได้หัดอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้อย่าไปทุกข์กับมันแล้วก็ลองฝึกว่าถ้าเราจะต้องตายนี่เราทําใจได้หรือเปล่า<ม>ก็ลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูที่คิดว่ามันอาจจะทําให้เราตายได้ เป็นพาที่ไปอยู่ในปา่าในเขาไปอยู่ตามปาา่าช้านี่ก็เพื่อที่จะไปทดสอบความกลัวตายนีย่ถ้าเราไม่กลัวตายก็แสดงว่าเราเราผ่านผ่านเรื่องเราเรายอมรับอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องตายไปถ้าเรายอมรับได้ยอมรับความตายได้ใจเราจะไม่ทุกข์เมื่อถึงเวลาที่มันจะตายคำถามจากคุณดิถีค่ะ กล้าวกระผมข้ามทุกขเวทนายัางไม่ได้เลยครับนั่งนานๆแล้วทนไม่ได้เลยครับก็ต้องใช้อุบายของสติการใช้อุบายสติก็คือให้เราสวดมนไปก็ได้อย่าไปนะอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บของร่างกายให้จับจ่ออยู่กับการสวดมนไปแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เหมือนตอนที่เราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยเชิญเนี่ยแม้จะปวดปัสสาวะเราก็ทนได้ ถ้าดูหนังอยู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มนี่ก็ไม่ยอมลุกอะ่ะใช่เพราะมันมีอะไรให้เราดูมันมันก็เลยไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่แต่ถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำนี่พอปวดนิดๆอยากจะเข้าห้องน้ำนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้เราทนอยู่ความเจ็บได้เราต้องดึงใจอย่าให้ไปสนใจกับความเจ็บให้มันมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวความบริกรรมนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบทสวดมนต์นี้ก็เป็นเครื่องยึดเห น, น, นีนยดด่ยวได้ แต่เราต้องทำอย่างต่อเ น, นื่องอย่าขี้เกียจอย่าทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำพอหยุดปั๊บมันจะไปคิดถึงความเจ็บทันทีต้องอย่าให้มันไปคิดให้มันลืมความเจ็บไปจนกระทั่งมันสงบแล้วมันปล่อยวางของมันเองแล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บไม่เป็นปัญหากับเราเลยจักคุณทิติชยาค่ะ หนูคิดว่าเราตัวเราเหมือนยางรถที่สามารถรั่วได้เสมอถ้าเราพยายามอุดรูรั่วสิ่งที่สัมผัสภายนอกต่างๆเหมือนปิดทางให้กิเลสเข้ามาโจมตีจุดตรงนี้จะชนะกิเลสได้คือปัญญาหนูคิดถูกไหมเจ้าคะการปิดกัน้นการรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายกิเลสได้เพราะกิเลสไม่ได้มาจากข้างนอก กิเลมันอยู่ข้างในอยู่ในใจเราเพียงแต่ว่าอาศัยรูปเสียงกลิ่นรถมากระตุ้นให้มันเกิดอพอเห็นขนมปั๊บนี่อยากกินขึ้นมาทันทีเห็นภาพสวยๆงามๆอยากได้ขึ้นมาทันทีเห็นของสวยๆงามๆอยากได้ขึ้นมาเราก็เลยต้องปิดกัน้นมันอย่าให้มันเจอกันอย่าไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่จะกระตุ้นกิเลสเขาเรียกว่าสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายสัมรวมมินทร์ไปอยู่ในไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขา อย่ไปอยู่แถวศูนย์การค้าเห็นศูนย์การค้าเดียวเห็นกระเป๋าก็อยากจะได้เห็นรองเท้าก็อยากจะได้ขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนันกิเลสมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเพียง mm hmm. แต่ปิดกั้นอย่างเดียวยังไม่ยังไม่ตายนะก็อยู่ตามวัดป่าวัดเขามันก็ยังไม่ตายเพียง mm hmm. แต่ว่าทำ ม, มันมันเป็นการชะลอหรือเป็นการลดการเกิดของมันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแรงแล้วตอนนั้นเราถึงต้องใช้สติใช้ปัญญามาฆ่ามันอีกที mm hmm. ถึงมันถึงจะตาย กิเัสฐาจะตายได้ต้องตายด้วยด้วยสติด้วยปัญญาจักคุณาวาค่ะหนูมีข้อสงสัยในเรื่องบุญกิริยาข้อที่สี่ค่ะการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่คือใจของหนูจะไม่ให้ความเคารพไม่ยกมือไหว้คนที่บกพร่องคุณธรรมที่มีความเห็นแก่ตัวจะต่างคนต่างอยู่ถึงแม้จะเป็นญาติที่อายุเยอะกว่าก็ตาม การกระทําของหนูถือว่าผิดหลักทางธรรมหรือผิดมารยาททางสังคมหรือไม่คะแต่ถ้าเขาประสบทุกข์แสนสหาหัสหนูก็ยินดีเต็มใจให้ความช่วยเหลือเขาค่ะคือการทําตัวเราให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นการลดละกิเลสคืออัตตาตัว ต, วตนซึ่งมันไม่มีเป็นของสมมุติเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปยึดติดกับสมมุตินั้นมันก็เลยทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเ ร, เราจะสามารถ เข้าหาทุกคนได้ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคถ้าเรายังถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราต้องเด่นกว่าเขานี่เราก็อาจจะไม่อยากที่จะไปคารวะวเขาอะไรทำนองนี้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ถ้าเกิดบุคคลนั้นเขาเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลือเราได้เช่นอาจจะเป็นพระบางทีเราเห็นพระอริยาบางลูกท่านอาจจะมีกิริยาการที่ไม่น่าเคารพ ก, กันมีเพราะว่าท่าน ท่านไม่ได้ต้องการที่จะเสแสร้งท่านปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติกิริยาของท่านมันไม่สวยงามแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเช่นพวกที่เขาเรียวกว่าผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วห่อทองใจของท่านนี่เป็นผ้าละหันแต่กิริยาของท่านเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีการศึกษาพูดมึงกูอะไรทํานองนอี้อะไรให้หายอะไรอย่างนี้พูดไปอันนี้เป็นเพียงกิริยาที่แสดงออกเท่นั้นเอง ถ้าเราไปถือกิริยาของท่านมาเป็นเป็นสิ่งที่เราจะเขารบหร้อไม่เขารบนี้เราก็อาจจะตัดโอกาสของเราไปปิดโอกาสที่เราจะเข้าหาและศึกษาธรรมจากท่านได้อันนี้ก็อย่าไปถืออย่าไปถือศาสตรคนอื่นก็เลยเขาจะเป็นยังไงถ้าในฐานะทางสังคมเขาสูงกว่าเราเราก็ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่าอย่าไปแข็งกระด้างความแข่งกระด้าง น, นี้มันไม่ไ ม, ไม่เกิดประโยชน์กับเรา จากคุณหนึ่งหรือไทยคะ่ะเวลาเกิดมรรคผลจะเกิดสมุทเฉทะปะหานเป็นขั้นขั้นโสดาสกิทาอนาคาอารหันสี่ครั้งหรือสามารถจบภพบชาติทีเดียวขั้นอรหันทีเดียวจบได้ไหมคะอะไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นเพราะเขามันต้องละสังโยชนิ0ตัวด้วยกันก็ต้องละจากจากทีละตัวสองตัวไล่ไปจนถึงตัวสุดท้ายจากคุณหมวยคะ่ะ ในหนึ่งวันมีเวลาปฏิบัติแค่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าเท่านี้ปฏิบัติเพียงพอหรือไม่เจ้าคะก็ม่รู้จะพอกับอะไร่ะพอะะของปาของคอก็พออยู่แต่พอเพื่อจะกาจัดกิเลสกาจัดความทุกข์ให้หมดไปมันไม่พอหรอกเพราะกิเลสมันทํางานตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นเราก็ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงเราปล่อยมันปล่อยเรา ทั้งวันทั้งคืนแล้วเรามาปล่อยบันเพียแค่ครึ่งชั่วโมงนี้มันก็ก็สู้มันไม่ได้งั้นเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาเพราะเกเสไปทางานตลอดเวลาจากคุณติวเตอร์ค่ะการเลี้ยงดูพ่อแม่หากเราปฏิบัติ ด, ดูแลหากท่านไม่พอใจไม่พอใจเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีเจตนาทำให้ท่านไม่พอใจเราจะบาปหรือไม่คะ ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะไปแกล้งท่านไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านแล้วถ้าไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องของท่านไปถ้าเราไม่มีเจตนาก็ไม่บาแต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะไปการแกล้งท่านจะไปทำให้ท่านไม่สบายใจไม่พอใจอันนี้ก็บาปจากคุณเบญจวรรณอริยสัจ ส, สี่ของผู้ภาวนามีมักเป็นที่ดาเนินจึงพ้นจากทุกข์ การใช้ชีวิตนักปวดก็เป็นการวางความสุขทางกายระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็เป็นการลดละการแสวงหาความสุขทางราบยศสารสน์ทางรูปเสียงกลิ่นล้นนั่นเองแล้วเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขทางใจคือการทำใจให้สงบด้วยการปฏิบัติภาวนาจากคุณซูเปอร์สไตรกิ้งเรื่องความลังเลสงสัยเกิดขึ้นจะเราจะแก้ความลังเลสงสัยได้อย่างไรคะ ศึกษาให้มากขึ้นศึกษาในสิ่งที่เรารังในสงสัยค้นคว้าหาข้อมูลข้อมูลมันมีอยู่เพีเยงแต่ว่าเราจะค้นหาเจอหรือไม่สมัยนี้เราโชคดีมีโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถสูงสงสัยเรื่องอะไรก็ใส่เข้าไปเลยสงสัยนักแปดมีอะไรบ้างก็าใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาจากคุณพัทรพงษ์ ความเข้าใจในธรรมะกับความเข้าถึงในธรรมะแตกต่างกันอย่างไรและสามารถวัดผลกันอย่างชัดเจนได้อย่างไรครับอ่นเดียวกันนะ่คือเข้าใจก็คือรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรและการที่พระอริยเจ้าไม่ผิดศีลอีกเป็นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีตัวที่จะไปดึงให้ท่านไปผิดศีลนั่นเองตัวที่ทำให้พวกเราทำผิดศีล ก, กันก็คือความอยากของเราพออยากได้อะไรมากๆแล้วาม ไม่สามารถเอามาได้โดยวิธีไม่ผิดศีลเราก็มักจะไปทําผิดศีลกันก<ำ>็าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาดึงให้ไปทําผิดกศีลคาถามจะคุณป้อมจิตว่างเพราะวางกายจะวางได้ง่ายทําอย่างไรดีคะก็ฝึกสติอเรื่อยๆฝึกสตใิให้ใจหยุดคิดแล้วใจก็จะปล่อยวาง จากคุณภูมิเราสามารถกำหนดดูอสุภะในมโนภาพได้ไหมครับหรือว่าต้องทำจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิก่อนครับเราไม่ต้องเข้าสมาธิการดูอะไรนี่ใช้ยุจิตธรรมดาอย่างนี้เรานึกถึงเงินในธนาคารเราก็เห็น่ไหมเระว่าตอนนี้เรามีเงินกี่บาทนี้ก็ใช้แบบเดียวกันเราก็นึกถึงตับไตไส้พุงของคนมันก็มันก็เห็นทันที คำถามจากคุณแบมแบมรู้สึกว่าความคิดเชื่อไม่ได้เหมือนมันหลอกเราบางทีหลงไปกับมันกว่าจะรู้ตัวอย่างนี้ปฏิบัติผิดทางหรือเปล่าคะและควรทำอย่างไรคะก็ต้องเชื่อในความคิดที่เชื่อได้ความคิดที่เชื่อได้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากแล้วต่อไปมันก็จะเป็นฝัองอยู่ในใจเป็นความคิดแล้วเราก็เชื่อได้ ส่วนความคิดที่เราไม่เชื่อเราเราไม่แน่ใจเราก็อย่าไปเชื่อความคิดไหนที่มันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นความคิดที่ไม่ดีอย่าไปเชื่อมัน คำถามจะคุณจิรารัตน์ถ้าคนขายขนมคิดเงินผิดโดยคิดน้อยกว่าจริงเราได้บอกเขาแล้วว่าคิดผิดนะเขายังยืนยันยอดเงินน้อยนั้นโยมได้เห็นความโลภสว่างโพลในใจตนดีใจที่จะได้จ่ายเงินน้อยได้ของเยอะสุดท้ายได้จ่ายยอดที่ถูกต้องโยมจะบาปไหมคะถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปเอาเงินของเขาเขา ยืนยันว่านี่คือราคาที่เราต้องจ่ายก็จบไปทั้งเองเป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณพุโทโธความฟุ้งซ่านบางทีผุดขึ้นมาเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีก็คิดเยอะจนปวดหัวจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเราจะเราจะได้เห็นใจของเราว่าตอนนี้ฟุ้งหรือไม่ฟุ้งถ้าไม่มีสติมันจะไม่รู้เหมือนคนเมาเล่าเลย คนเราสุราเนี่จะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรกาลังพูดแลอกำลังทำอะไรเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตืน่นจักคุณสุภาพร อ, อิทัพปัจจยตาหมายถึงอะไรเจ้าคะขออันนี้อันนี้ต้องถามครูก็เดินเดะเราก็ไม่รู้เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทอ่าเ่มีต่อค่ะ จากคุณพัทระถ้าเราต้องตายจากชาติภพนี้แล้วไม่มีความความอยากเกิดมีตัวตนในชาติต่ตอๆไปอีกแล้วจะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ครับคือมันต้องกาจัดกิเลสนะถึงแม้เราคิดว่าเราไม่มีความอยากแต่ถ้ากิเลสมันยังอยากอยกู่มันก็ยังกลับมาเกิดอยู่มัยังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้าสรเสื่ออยู่ ถึงแม้เรายาไม่อยากจะมาเกิดมันก็ไปหยุดมันไม่ได้ต้องกำจัดความอยากในรูปเสียงกิดรดในราบลดสารเสรื่อให้ได้มันถึงจะกลับมาเกิดไม่ได้จากคุณรอมมี่ค่ะขอคำชี้แนะวิธีกำจัดนิวรณ์ด้วยค่ะนิวรณ์ก็คืออุปสรรคที่จะทำให้ใจเราสงบก็ต้องแก้ไปถ้าเรามีความรังเลยสงสยัยก็ให้ศึกษาทำคาสองของพระเจ้าสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ต้องศึกษา ถ้าเรามีความโกรธก็ต้องใช้ความเมตตาให้อภัย mm hmm. ถ้าเรามีการอารมณ์เกิดขึ้นก็ต้องใช้อสุภะเป็นต้นคำถามจากคุณเดิมมาไทยเวอร์ซอกยูนิตี้ค่ะได้ฟังว่าถ้าชาวพุทธหากถึงได้เพียงเทวธรรมแล้วละโลกนี้ไปยังเทวโลกยังมีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นศาสนาอีกเจ็ดวันเป็นพุท ธ, ธกรุณาเรื่องนี้เป็นเช่นไรครับ คือการจะฟังธรรมในฐานะที่เราเป็นเทวดานี้ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ตอนนี้พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ติดต่อกับเทวดาแล้วถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ยังสามารถฟังธรรมจากพระอาหารหันต์บางรูปได้พระอรหันต์บางรูปนี้ท่านมีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้อี ก็จะมีการไปศึกษาไปฟังธรรมจากพระอหรหันตรูปนั้นได้อยนนหมดแล้วนะโอเควันนี้คำถามก็เยอะพอสมควรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด